เวิกัปปะณะสิกขาบท1นถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้วิกัปจีวรด้วยตนเองให้แก่ภิกษุหรือแก่ภิกษุณีหรือแก่สิกขามานาหรือแก่สามเณรหรือแก่สามเณรีแล้วใช้สอยจีวรที่ยังไม่ได้ปัดจุดทอนณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถี ถามทรงปรารภใครตอบทรงปรารภท่านพระอุปนันท h สากยาบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันท h a สักยบุตรวิกัปจีวรด้วยตนเองแก่ภิกษุแล้วใช้สอยจีวรที่ยังไม่ได้ปัดจุดทอนในวิกัปปนาสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหสมุดฐาน เกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นกันทิทนะสมุดฐาน